วันเดือนประชาันเราทราบก่อนวันเดือนหน้าวันที่สามปรึกสภาวางกาเลือกเป็นศาลาเป็นทั้งโบส ท, ที่อยู่บนไดไแม่จนหลวงวันที่สามเดือนหน้า ผู้ได้ว่าง<ม>พรแจงความจำลองความประสงค์ผู้ mm. วันพระนาหายไปอาทิตย์หนึ่งวันนี้หายไปพวนี้มาดูนี้ไม่เยอะมันเหนืออาทิตย์กลับ ม, มากันวันพระนา mm. มันจะมีเวลาคืุยกลับมาเรื่องของเรามางทีี้ <c oughs> วันนี้ผ่านเอ็นเดือนอยไปคิดเรื่องนกลานอกสี่ห้าดูป ก, กิก็น้อยอยู่แล้วเอาอยู่เฉยอๆอนเนะาะไปเพิ่งไปทำอะไรก่อนวันนี้มันมันไม่ใช่เวลาเลยต้องไปทำอะไรเป็นการฝึกตัวเองและที่องกัรคือครบรบในธรรม ธรรมะคารวตาพุทธาคารวตาสังฆาคารวตาในการพอารพโดยความยิ่งศรัทธาวัดเราคนททำเป็นตัวอย่างคนเราถ้าคนตายมันเยอะนะมันไม่กลัวของปุณ้ วันนี้พาไปก็ไปโรงพยาบาลพาอวิชาอายุระกรรับ <c oughs> ฉัน อ, อยากจะให้หลวงพ่อไปพูดคุยให้ธรรมะแต่ว่าว น, นี่เป็นวันพระนึกถึงพวกเราเลยนะเราไม่สนใจ <c oughs> ช่วงนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเรารู้ไหมว่า คนไปเกิดใหม่กันเยอะช่วงสงการเนี่ยพวกเรารู้มั้ยไปเกิดไหนไปเกิดที่ไหนกำว่าไปเกิดใหม่คืออะไรตายเหไหมทาบอกว่าเกิดใหม่มันเฉยๆช่วงสงการ หลายร้อยไม่กี่วันต้องบอกว่าหลายร้อยวันหนึ่งเกือบสามสิบคนเป็นชั่วโมงชั่วโมงละคนกว่าเกือบสองคนป่วไงายตายเกือบทุกชั่วโมงนี่ตายเฉพาะที่เป็นช่วงสกสารไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับจะแค่ได้ป่วยตายเราลองไปโรงพยาบาลดูแต่ละชั้นของตึก ปออเปรอมันเป็นร้อยเป <c oughs> ็นนะไรอย่าประมาะว่าชีวิตเรายังมีโอกาสมีเวลามไม่ตายง่ายๆความตายเอาเลยเนแน่นอนไม่ได้ความตายเป็นการจัดระเบียบโลกมนุษย์ เรื่องหนึ่งถ้าไม่มีความตายเกิดขึ้น <c oughs> มนุษย์มันก็นจะเฉยเลยเลยความตายมันมีมีเรื่องวิธีการจัดการคับความตายทุกศาสนาหมากความ่ามีแนวความคิดในเรื่องจัดการของความตายคือชีวิตหลังความตายทั้งคนตายและคนอยู่ ส่วนใหญ่ก็คนอยู่ต้องนให้วนตายหลายศาสนาเข้าวางความคิดเกี่ยวกับความตายเป็นมอบให้กับพระเบื้องบนหมายก็าว่าถ้าตั้ดีแล้วก็ไปอยู่กับพระองค์ถาวรแ้่คนทำไม่ดีก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งไม่ตอนรับ ถ้าตที่เป็นลูกของพระ อ, องค์กันนะหลักเว่าะผู้ลูกที่ทํา ด, ดีลูกทําไม่ดีไม่รักก็ เ, เป็นเหมือนกันลูกเป็นพ่อแม่ยังไงไม่ทราบก็ เ, เป็นเรื่องศาสนาเขาเนาะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่จัดระเบียบคือหมายถึงว่าชีวิตหลักความตายแล้วให้มันสบายใจส่วนข้อเท้จริงเป็นเรื่องหนึ่ง่วนศาสนาของเราคือพุทธ แล้วต้นแบบศาสนาของเราคือพรามหมณ์ฮินดูตล อ, อดถึงศิษ์พวกพื้นฐานศาสนาเดียวกันฮินดูพราหมณ์ศิษ์ต้นต่อมาจากที่เดียวกันแล้วก็พุทธเราพุทธเราก็มาสองพั น, 2, ก, น, น ก, กว่าปีมานี้คือมีวิธีคิดอีแบบเรื่องการเป็นไว้แต่ศาสนาเป็นของมมี คือตายแล้วตายเลยทำดีก็ไปอยู่บนอยู่กับพระเจ้าก็าประมาณนี้นี่ศาสนาของเราดูทุกศาสนาเวลาตายแล้วก็วมีวิธีจัดการกับคนอยู่คนตายคือความแสดงความรักผูพกพันอะไรแต่ที่สำคัญคือพระก็ไปแสดงเป็นศาสนาธรรม อยู่เป็นศาสนาอื่นที่เขาม่งไปถึงเบื้องบนขอให้เบื้องบนมารับเอาดูวิญญาณประมาณนี้เอกของเราไม่ใช่แต่ว่าเอิดที่สอนที่ไม่ใช่คําเทศเป็นคําสวดเป็นคํำที่เราไม่ค่อยดูเรื่องก็พ้นเป็น ก, กุศลอกุศลแล้วก็เป็นกลางแค่นี้แหละมาเรื่องชีวิตหลังความตาย จะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ปูมจิตของเราถ้าพูดง่ายๆก็คือเมื่อรูปนี้ีแล้วคือขันจะเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาัยางยางนัางขันจงยาณรูปมันแตกสลายรูปคือดินน้ไฟลมศาสนาของเราศาสตระเยอะยที่พูดถึงเรื่องัเรื่องของพวกนี้ี่เป็นธรรมชาติ ศาสนาอื่นศาสนาเราสอนให้เราให้ปรับตัวเข้าธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องว่ถูกต้องเหมือนสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ปรับตัวเองเข้าธรรมชาติไม่งั้นอยู่ไม่ได้มนุษย์เราตองเหมือนกันเราไม่ปรับตัวเองเข้าธรรมชาติเช่นเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งซึ่งเป็นธรรมชาติ เ, เ, ตาเป็นเกย์จะตายเป็นธรรมชาติ ศาสนาของเราจะเป็นศาสนาที่การเรียนรู้ธรรมชาติตอบตัวเองเท่าธรรมชาติธรรมาชาติที่เกิดเองเป็นเองเขาอยู่เป็นอย่างนั้นมาร้อยวันพันปีจะมาหาคําตอบ<ช>แต่และเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายดุยสติปัญญาที่เรามีอยู่มันตอบไม่ได้เรียนโลกนี้โลกหน้าจักรวาลอย่างตุนฝรั่งเขาก็ศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราว ทรงสวัสด์ก่อนก็มีคนเทศอย่างนี้มีคนมาถามเรื่องพวกนี้ยสนใจของพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกไม่คือธรรมชาติของพวกเราจริงๆแล้วไม่ได้สนใจตัวเองหรือคนต่วพวกกันตรงนีๆสนใจเรือปัจจัยภายนอกเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นอยากรู้เรื่องไปหมดเลย คนนั้นเป็นนั้นคนเหมือข่าวทุกวันที่เราเสพทุกวันเห็นทุกวันคนนั้นฆ่ากันคนนี้ฆ่ากันหัวฆ่าแม่เมียฆ่าผัวคนคนั้นแย่งมรดกกันรู้เร่องกันหมดฟังแต่เคนอื่นทั้งวันฟังแล้วบางคนมิตรกัขขงวลเศร้าโศกเสียใจถ้าท่าที่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยพระพุทธเจ้าจริงวิ่งราว สารพัดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เจ็บตายเรืออื่นไม่เกี่ยวกันเลยแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยไม่สนใจเกิดมายังไงก่นเกิดเป็ยังไงหลังเกิดได้เป็นยังไงในขณะอยู่เป็นยังไงไม่สนใจเกิดเกิดแล้วแกมันก็เดินไปเรื่อยๆคำมันวิธีชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่วันไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่คือปัญหาใหญ่เราไม่เห็นว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงแก่เจ็บเหมือนกันมันนี่ใครไม่เจ็บพระไอ้กรยไม่มีเลยมีมากมีน้อยแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่มีโรคเลยวัโรขยาบรมาลาภาก็ไม่มีโรคอะไรเลยมันไม่มีในความเป็นจริงมันไม่มี เรามีเรามันจะแสดงออกมากน้อยขนาดไหนเปนเรื่องหนึง่งแต่เกิดมาแล้วไม่มีโรคเลยมันไม่มีแต่ว่โชคดีหนึอาจจะโรคไปอาจจะไม่แสดงออกมาแล้วไมได้เป็นหนักแต่มันมีแน่นอ น, นอเกิดเจ็บแต่ตากันคือตายข้อสุดท้ายรืออาการสุดท้ายเราจะได้เจอแน่นอนคือเราจะได้พบแน่นอน แล้วพลรู้ไปกายเป็นความกลัวไปกลายเป็นภัยแต่ก็มาหาทางออกมาหาทางออกก็นแปลว่าตายแล้วจะไปยังไงสุดท้ายก็สารวนอยู่กับชีวิตคเคยแค่เจ็บตายถ้าที่เคยจนตายาจะต่มาหายิีมบางเรื่องคนอื่นมางท้งหมดเวลาไปก็คือตายนั่นแหละมันทําตายไปแล้วได้อะไร ชีวิตหลังความตายเป็นยังไงมันก็ไม่ยากของพวกนี้มันเชื่อเรื่องยากไม่เปิดไม่กลัวตายใช่ไหมบนหลังต้องบอกกันเลยโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องปิดกันหมด นี่คือมันกันอย่างรู้เรื่องคนอื่นส mm. นใจคนอื่นมาก mm. ไปซืวิตประจำมันอยู่กับโทรศัพท์ mm. อยู่ได้ทั้งวันอยู่กับโทรศัพท์ไม่ mm. mm. มีอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย mm. mm. อย่างล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทบางทีเราเวลาพูดต่อว่าถ้าอยากจะรู้จักชีวิตหลังความตายเป็นยังไงอันมีสติไหมก็ไม่อยากยังนึกถึงเวลากลางคืน นั่นแหตายเทียมการคนืนในตายเทียมแต่เราไม่เรียกว่าตายเราไปรู้สึกนั้นว่าฝันแต่ร่างกายทําอะไรไม่ได้มีแต่ลมหายใจเท่านั้นต้องอื่นทำอะไรไม่ได้ก็แปลว่าเมื่อจิตมันไม่อยู่กับร่างหมายถึงว่าสติคือเวทนาไม่รับรู้หนอนเนี่ยมันก็ป ร, รับรู้อยู่ข้างใน มันเป็นโรคค่ไหนจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าผวังคจิตจิตอันนี้ที่มันขอพบขอชาติที่เป็นผวังแค่จิตก็เพราะว่าตอนนั้นร่างกายร่างกายคือตัวเราเถอะเรเรียกว่าสังขารคือรูปมันมันทาหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่มันก็เหลดอที่สี่ตัวคือเวทนาสัญญาณอากาศวิญญาณทำหน้ญญาทีญญา่ญญ แต่จิตมันต้องมีมันต้องมีที่เกาะมีรูปมีภาพให้มันอยู่พวกไงมีบ้านให้มันอยู่จิตมันก็ไปยึดเอารูปที่เป็นความจาเรียวสัญญารูปละเอียดแล้วมีเกิดจากอะไรเกิดจากการนึกหรือว่ามโนคือใจัมะมโนคือใจคือ น, นึกหรือจินตนาการคือจินตักหรืจิตตักอันเดียวกันืผ่าน ม, มาที่เดียวกัน มันคิดอะไรขึ้นมาจิตมันคิดอะไรขึ้นมาภาพก็จะปรากฏออกมาเราจึงนชมเช่นนั้นว่ามนโนภาพกลางวันก็มีเราก็ทําได้แต่เราไม่เห็นเพราะว่าขันห้าวทำหน้าที่ในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพออกมาเรื่องมนโนภาพมันก็เป็นเรื่องเป็นราวประศูนเป็นตะยืนเดินนั่งเด น, นกินหยิงคาพูดคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่พอสติกลับมาขเข้าตัวก็เรียกว่าตื่น มารกกายของเรเรื่องนะเรารูดดูโอ้อะมันฝันนั่นแหละเป็ความตายเมื่อจิตออกจากร่างเป็นอย่านั้นกันนั้นเท้ามีสติไหมในขณะนั้นรู้ตัวไหมรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบางคนตื่นขึ้นมาบางค น, นหลับขึ้ตื่นคนที่นอนแล้วฝันคือคนที่จิตอยู่ในผวังขจิตคือจิตนอนหลับไม่สนิท มันหลับๆตื่นๆถ้าเป็นสมาธิก็เรียกว่าอุปจรารสมาธิ mm hmm. ถ้าหลับสนิท mm hmm. อ ป, ปานาสมาธิอันนี้จะไม่รู้เรื่องอะไร ห, mm hmm. หลับสนิทเลยในขณะที่เราหลับเราไม่รู้กี่นาทีกี่ชั่วโมงเวลานิดเดียวเราหลับตื่นขึ้นมาเา้าเช้าแล้วปาเข้าไปเจ็ดแปดชั่วโมง มิติอื่นหรือว่าโลกอื่นเหมือนกันเวลาของเขาเวลาของเราที่ไมถึงบอกว่าร้อยปีมนุษย์เหมือนกับนี่เดียวของเขาก็นี่แหละเหมือนเราเรานอนเจ็ดแปดชั่วโมงแป๊บเดียวในใจเราคิดไหมดแ๊บเดียวมันหลับแล้วตื่นขึ้นตื่นนิดเดียวก็ตื่นแล้วคอยดูตัวมานั่นเห็นไหมนี่แสดงว่าเรานะจริงๆอยู่ความตายมาตลอดตายเป็นตายเป็ น, ต า, ป น, ต, าปนตายเป็นตลอด ตายเป็นก็คือกลางวันตายก็คือกลางคืนเป็นตายเป็นตายอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าสติเราไม่พอประเดินอยู่ตรง น, นี้สติสัพพัญญะเราไม่พอคนที่มีสติสัพพัญญะสมบูรณ์คือพระอริยพระราหันเท่านั้นที่มีสัพพัญญะสมบูรณ์ท่านอยู่กับนิมิตภาพที่เห็นไม่มีฝันนยู่พวกเราเป็นเรื่องเวลา นี่คือความแตกต่างระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติคนปฏิบัติเขาตั้งเวลาได้ตั้งเวลาเหมือนนาฬิกาปลุกตั้งเวลาคือตั้งจิตอธิษฐานจิตว่าจะตื่นที่สี่ที่ห้าพอถึงเวลามันก็ตื่นเป็นอัตโนมัติเหมือนสั่งจิตทุกคนทำได้ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกประจาอยู่เสมอจิตของเราสั่งให้มันได้ เหมือนตอนนี้มันบอกว่าตายคำว่าตายสําหรับคนที่ฝึกแล้วบอกว่ารเรื่องปกติรเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่ฝึกก็กลัวความตายถามว่าความตายไปเรื่องน่ากลัวไหมถ้าเราคิดอึ่างหนึ่งหมายก็ว่าถ้าเราทําความดีจริงเร่คิดแบบจิตออกจากร่างแล้วมันไปดีก็ไม่เป็นอะไรน่ากลัว ถ้าความดีเรามีพอประเด็นคือเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าตายไปแล้วจะเป็นยังไงมันจะเป็นนพ่อพึ่งพาการปฏิบัติในชีวิตประจําวันจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าประมาทในวัยในชีวิตชีวิตของเราเพราะไม่ดียืนยาวแต่เรานับอรยุอา์นามของเราแต่น้าไปอีกปีสิบปียี่สิบปีเด็นที่ ไม่เกินนี้แต่เราคแต่ว่าหลังจากนั้ น, นจะเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้เกิดได้ตายตายแล้วเกิดมนุษย์เราหกเจดพัน 6, 7, ล้านคนวันหนึ่งตายเท่าไหร่เกิดเท่าไหร่และคนที่ตายไปแล้วยังมีความเชื่อว่าตายแล้วไปอยู่ขาบางบนคนก็มีอเยอะนะแล้วบางคนที่หนักกว่านั้นก็คือ คนที่ไม่นักตือศาสนาในมีเยอะมากมเยอะเอาพวกเราคิดคือไม่ได้ถืออะไรเลยจะบอกว่าเขาไม่น่ตือศาสนาก็ไม่ใช่เัาตือตัวเองเัาประชาตัวเองเยอะมากมีศาสนาในถวินบ้านเท่านั้นชาพูดเรากเหมือนกัน พูดในตะเบียใช้เสยอไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้ก็เยอะเพราะนั้นเราถือชคดีที่เข้าวัดฟังธรรมจำเสินภาวนานยังได้ยินยังมีสติสัมปชัญญะคือฟังแล้วได้คิดคือออกราอโกยังไงน้อง ก, ก็บปอญหายังมีสติมีสัสมปชัญญะเพราะนั้นช่วงนี้น เ, เวลาที่เรามีอยู่พยายามทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ความดีดีคิดง่ายทําง่ายคือคิดดีนี่ก็เป็นความดีแล้วพูดดีก็เป็นความดีแล้วไม่เกี่ยวกับการบริจาคเยอะแยะมากมายทําบนโดยปัจจัยโดยที่จะของทำบนโดยวัตถุเราไปมุ่งีนวัตถุเป็นส่วนใหญ่แต่ทำที่คิดดีนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ทําดีพูดดีแค่นี้การนำความดีมันง่ายมากในศาสนาของเราไม่ต้องมาต้องตัวเองเลยดูตัวเองยอเยอะ ศึกษาตัวเองมันเยอะๆให้เห็นความดีความไม่ดีของตัวเองเยอะๆแต่ละวันเมื่อเห็นแล้วก็แก้ไขกรับปรุงพัฒนาแค่ที่เองกลุ่วิธีการมันเยอะแยะมากมายหลากหลายสำนักยิ่งสวรรย์นี้ยิ่งผลขึ้นเป็นดอกเห็ดเยอะามากพาไปนะโกสวรรค์ปฏิบัติไม่กี่วันไม่กี่เดือนพระรยะพระอรหันต์แล้วมันเป็นง่ายนขนาดนั้น คนก็ชอบด้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันเป็นมันเป็นธรรมันเป็นง่ายขนาดนั้นอันนี้คือฝ่าพวกเราทุกคนเป็นเพราะยิ่งเราเป็นคนวัดคนว่าต้องเข้าใจตรงกันอย่างนี้เคยพูดอยู่เสมอว่าเราเข้าวัดเนี่ยเรามาทนนะําบุญมาวัดเพื่ออาศัยทําบุญทุกคนมาเพื่อทําบุญไม่ได้มาทําบา มาเพื่อเข้าหากรูบาอาจารย์มาเพื่อฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาดูชาวบ้านคนนั้นคนนี้คุณโนศัลภพัตหลาย ไ, ไม่ได้มาดูชาวบ้านถ้าจะดูชาวบ้านไม่ต้องมาวัดไปที่ตลาดครบหมดศัลภพัตแล้วก็สวนสัตว์ก็อยู่ในตลาดนั่นละไม่ต้องไปสวนสัตว์ไม่ต้องไปเข้าสวนสัตว์เกษสกพักกมาแล้ว ที่ก็เรียกเพื่อนกันมาแล้วไอ้มาไปที่ตลาดไม่ต้องไปสวนสัตว์ลแล้วเรามาวัดม า, มาวัดจริงๆมาทำบุญทำบุญกับใครทำบุญกับพระทำบุญกั บ, บ, กบวัดนั่นก็จบแล้วเรื่องอื่นๆยิ่งยุ่งยิ้งโหวดหัวอืสารพัดเยอะแยะมากมแล้วก็ฝากพวเราเพื่อเป็นแนวคิดแนวนึกแนวปฏิบัติ จะได้เข้าใจตรงกันว่าแต่ยี่บอกเข้าวัดแล้วไม่ได้อะไรบอกเข้าวัดมาสิบปียี่สิบปีไม่ได้อะไรแล้วเข้ามาทําอะไรเขามาหนังยืนยืนมายืนเดินนั่งนอนโดยมีสติมอกก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ต่างกันวิที่ไหนก็เหมือนกันนะเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีสติหมายกันท่านะเรามาฝึกสติมาฝึกตัวเองมาฝึก หนักเบาฝึกกลองกายฝึกปลอยฝึกวาดนี่จะมาเข้าวัดว่างอะไรว่าอารมณ์ที่เรามีอยู่มันจะได้เบากายก็เบาใจก็เบาเพิ่มให้มันหนักใหมันหนักหนักตัวหนักหัวหนักสมองหนักอกหนักใจหนักไปหมดลำบากนี่กิเลสเรีกว่าทําให้เราซ่อมหมองไม่สดชื่น มันนั่นก็ฝากเราทุกคนจงไม่ว่าจะไปอยู่ก็กตามไม่อยู่ก็ตามใครพูดก็ตามก็จะพูดธรรมะหมดแหละทีนั้นเราฟังแั้วเป็นธรรมะหรือเปล่าฟังแล้วรับได้ไหมฟังแล้วลงใจไหมหนั่นต่างหาแต่ที่ที่พูดเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมหมดเช่นเกิดเกยเจ็บตายใครพูดก็เหมือนกันหมดไม่ได้หนีกันไทยจีนฝรั่งก็เหมือนกันเป็นคําเดียวกันเหมือนกันแต่ว่า ฟังแล้วได้สติสรรพสิญญะหรือไม่เป็เรื่องหนึ่งนั่นแหละอันดีสงของการปฏิบัติธรรมถ้าฟังแล้วยังคิดไม่ได้ยังทําไม่ได้มันก็เหมือนเดิมมันนั้นมีอะไรใหม่มัแต่เจอเจอเรื่องเดิมๆวันๆมีเรื่องเดิมเรื่องเก่าสุดท้ายเราก็ข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั้นทุกคนต้องระมัดระวังโอ้มันน่ากลัวนะะ มันอย่างเราเดินทางอีกไกลนะมันไม่ใช่แค่นี้นะเราต้องไปอีกไกลไกลเท่าไรไม่รู้ในวัตาะสงสารนันี้ถ้าายัางเฉยๆเลยๆไม่กระตือหรือมัวแต่หวงังทรัพย์สมบัติมองในธรมะหากินอย่างนี้จะเอาอะไรไปได้สุดท้ายเอาอะไรไปได้มากไม่มีมีแต่ความดีคือบุญบุศนเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระสอนเวลาตายแล้วบ อ, อกกุศลธรมา อ, ก า, า, อกากุสลาธรรมมาอภิญักดาธรรมมาท่าก็จะย้ำอยู่ๆนี้แหละแต่เราไม่เข้าถึงจิตถึงใจอกากุสลาก็ไม่รู้จักอภิญักดาเขากา็าม่รู้จัก ก, ก, จ ก, ก็อยู่แบบอย่างนี้แหละหมดฟันหมดเดือนหมดปีไปแต่ก็นับเอาได้หนึ่งวันได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งปีที่จริงมันหมดไปน่ะมันหมดไปหนึ่งวันหมดไปหนึ่งเดือนหมดไปหนึ่งปีก็ถือว่าเป็นอายุอายุหนึ่งปี ยเจ็ดสิบปีกับหมดไปแล้วเจ็ดสิบปีนะ่ะจะได้อีกเท่าไหร่ไม่รู้สิ่งที่จะได้ไม่รู้เอาสิ่งที่มีอยู่<ม>สิ่งที่ปัจจุบันน่ะพอแล้วเราอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นะั้นไม่ต้องไปอยู่บนตายตอนไหนตอนไหนคือตายเพราะมันยังก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ร้อยปีมันก็ตายอยู่ดีแต่ถ้าตายไปพร้อมกับความดีนี่คือเรื่องสาคัญหาคนดีก็เจอเยอะเยอะพวามไม่ดีพยายามเล็กรื อยากก็หามันอยากก็ใกล้มันโดยพฉพาะยิ่งคือคุณของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระอริยสงฆ์นี่สําคัญถ้าอย่างนึกถึงคุณสามคุณนี้ไม่ได้คือไม่มีปรารถนรัยอยู่ในใจในโอ้ลําบากจิต ข, ของมันจะร่างนึกอะไรไม่ได้ถ้าอย่างน้อยที่สุดคือพระรตนตรัรยก็ยังดีคือใจเรายังนึกถึงสิ่งที่มันดีดีเป็นคุณของพระพุทธเจ้าือเราถือว่าเป็นบุคคลผู้บริสุที่สุด ถึงประธรรมป็นหลักคิดและพูดแล้วตามถึงประสงค์คือพวกปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างน้อยจิตเราก็ผูกพันุ์อยู่กับเสิ่งที่ดีดีมันก็ยังไปดีแน่อนอนแต่ถ้าออกนอกจากนี้ไปเนี่ยโผลําบากแล้วยังนึกถึงสมบัติพัฒนสถานครอบครัวปู๋ปยอาตายายคนนั้นลูกหลานเป็นห่วงไปหมดจิตมันจะไปไหนทีนี้ลานะําบากนะอันนี้วิธีฝึกในชีวิตปัจจุบันก็ฝากเราทุกคนในฐานะจะเป็นคนวัดคนวา ไปไหนก็เจอายครับเขาวัดศรีธรรมบอกหลวงพอ่อหลวงตาหลวงปู่สอนอย่างนี้หรือก็ไปโทษพระอีกละ่ะพระพระสอนไม่ดีเห็นไหยมนุษย์เป็นยังไงคือมันไม่โทษตัวเองเลยมนุษย์เนี่ยมันโทษกระจายไปนอกอันนี้คือหลักหลักคิดหลักพูดหลักทนไม่มีอะไรไปมากกว่า น, นีน้ไปที่ไหนหลวงพอ่อหลวงตาหลวงปู่ทั้งก็จะพูดบอกเราสอนเราอย่างนี้แหละแต่เราไม่เข้าถึงจิตถึงใจัึงหา่า นี่เป็นเรื่องของเราแต่ละคนก็ฝากพวกเราทุกคนขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทั้งหลายได้มีจิตเจตนาดี<ม>แล้วที่เข้ม า, า, ามาวัดฟังจำจําเส้นภาวนาก็ฝางแล้วก็ได้กติได้ก็คิดแล้วก็ได้นำไปปฏิบัตินี่เป็นเรื่องสาคัญถุนจะทาได้มากได้น้อยไม่เ ป, ป็นไรขอให้ตั้งใจ จ, จริงๆในการปฏิบัติว่าเราจะไม่ให้พูดอย่างนี้เราจะไม่พูดคําหยาบเบื่อเจือเลี้ยวไหลไหลสาระถึงวันมีประโยชน์อะไรเลย เสพข่าวอะไรก็ไม่รู้วันวันไม่เคียวอะไรกับตัวเองเลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาธาอะไรเลยคือไม่มีเส่นสายอะไร